บทภาชเนีติกานิสกิยาปาจิตตร้อิบเอของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุณีสําคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุณีไม่แน่ใจให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างให้แลกเปลี่ยนของอื่นต้องอบัตินิสกิยาปาจิตติภิกษุณีได้ของที่สละแล้วคืนมาพึงรวมกับปัจจัยที่เขาถวายไว้เดิมทุกๆกฎไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างภิกษุณีสําคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งต้องอบัตทุบกฎไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งไม่ต้องอบัต